หน้ทำยไงทอยู่ดูไหมแค่เราแบบทำแบบปรุงแต่งหนูทำมักว้าห่างไปทำมันรู้สึกเราตอี้ตอนตั้งใจทำมันไม่นไ่หนักปกติก่อนหน้าแล้วตั้งตจทำจนรูปร่างม้นหอืกแต่ตอนนี้เมือที่ตั้งใจทำไม่เห็นความทได้ไหเลย ทำไม่เบาเลยอะู่แล้วเป็นแต่งทำแก่ึเลื่อมลอยรอๆอย่เงี้ยก็จะไม่หนาทำลอยลอยทำตาลอยอยทีหนจะทหน้า่น่ไม่ดแล้วน่รสูกแต่งกันได้ลใช่้าวระเภเากินเังหรือเปลาคุณใจดีไะใครจะถามใคเชื่อยแล้ว่เลย มากจะ่้เลับเราด้วยขเนี่ยคุณนกเป <t os> <t os> ็นยังนกได้ได้นั่งนั่งก็ยืดยังก็ยีดได้ขาเราไม่ดีนะคุณนกอย่างวิธีการที่ผมว่าถ้าอขาบอกว่าถ้าสมมติ แบบพงสานไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้เให้เข้าพุโทโธแล้วให้ดูคาว่าพุทเธผมจากว่าดูดาที่กำลังจะเราก็กสับตรงอแล้วากลังจะคลายอย่างนั้นโ อ, อยไม่ทนีเหนื่อยแล้วใครสอนแลาว <c oughs> คืนนี้ท่านอาจารย์พงสานเนี่ยพุทโธพทโพุทโธให้เล่ง น, นะพุโทโธมันเราทำเอง พุทโธพุทโธนะพุทโธไปเรืนะ่อยๆอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบพุทโธไปเรนะื่อยๆพอพุทโธไปถึงช่วงหนึ่งเราจะอ่านใจร อ, อ, อเราจะเห็นว่าเออใจค่อยๆนิ่งลงนิ่งลงค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาอารมณ์กรรมฐานอาาื่นๆก็เป็นแค่เหยื่อตกปลานะปลาที่จิตอย่างเราพุทโธหรือเราแหยใจเข้าแหย่ใจออกเนี่ยแหย่ใจไปจิตเราไม่อยู่กับพุทโธเราก็รู้ทัน จิตหนีไปที่อื่นนี้ไปจากพุทโธเราก็คอยรู้ทัน <oret ta. S 1> หายใจใจจิตสงบเราก็รู้ว่าสงบเรารู้ทันจิตหายใจใจจิตคงสั้นหรือพุทโธทจิตคงสงั้นรู้ว่าจิตคงสั้นะหนะหายใจเพื่อจะหานจิตให้หออกหรือพุทโธก็จะหานจิงงตให้ออกเมื่อลับไม่ใจกับพุทโธ แ, แล้วพุทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วพุทโธอย่างเบาจะจับลมบางทีเล่นยากละเอียดเกิน <c oughs> พุทโธพุทโธไป หลวงปูุ่ญใจางเสอนวัาพุดโธใจรู้พุทโธรู้ใจได้บริกรรมนี้ด้วยซ้นไปพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าครับพุทโธเสร็จแล้วก็กลับรู้ที่ใจของเราเพราะนั้นพุทโธเป็นเหยื่อตกปลาเนอะปลาคือส่วใจของเราครถ้าปูขาดปี้ไม่ต้องสนใจหรือจับใจเราคือถ้าเราจาบแข็งเราได้ก็จิ้มพุทโธไปใจเรานั่นแหละพุทโธตัวจริง ทำบริรรมพุโทโธในความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่พุโทโธครับเป็พุโทโธเป็นเหยื่อล่อล่อให้จิตของเรามาอยู่ในที่เดียวจิตของเราช่อบหนีเที่ยวหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้ทั้งวันโดยที่เจ้าของไม่เห็นแลเราก็เอาอารมณ์เดียวมาล่ อ, อเอาพุทโธเอางยุคมาล่อเอาสัมมาอรหันมาลอดอะไรก็ได้อารมณ์ในใจมันล่อล่อให้จิตมันจะอยู่ที่อารมณ์ที่เรามารอด จิตมันมาอยู่ที่นี้เราก็รู้ทันจิตนี้ไปที่อื่นเราก็รู้ทันจิตมาอยู่ที่พุทโธแล้วจิตสบายว่าสบายเราก็รู้ทันจิตมาอยู่กับพุทโธวันนี้จิตแหวแหวงใหญ่ไม่ยอมสุกรู้ว่าจิตแวหวงแหวงเราพุทโธเสรจแล้วเราดูจิตของเราออกถ้พุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่าแั้นเองถ้าเราจับปลาดได้แล้วก็ทิ้งเหยื่อไม่เราไช้เดือนนะ ข้างรู้ตัวในรู้ตัวไม่เต็มที่มันเหมือนจะมีอะไรที่แยกออกาการรู้ตัวไม่เต็มที่อย่างนั้นไม่ทราบว่าการจุดสามเป็นเหตุรูปตัวไม่เต็นที่มันเหมือนว่าแะบเส้นมันไม่แนบแน่นะอาจจะตอนที่เปิดซองใหมหรือว่า่นตอนที่เห็นมากเราจะรูปตัวแล้วมันไม่เต็มอ๋อมันไม่ไม่หวมูอ่านแทรกมันจิตมีมูอานทำไงจิตมีมหารู้ว่ามีมหา แบบสี่หลัฐานสอนไม้แค่นั้นเองนี่ถ้าเราเห็นว่าอยู่กับโมหันนานแล้วข้าจะไม่ ค, มงอองค่อยดีเปลี่ยนอารมณ์นะอสักถ์ที่แรงที่ถูกกระท บ, บแต่ที่ามันนั่งดูบังซึงแล้วนั่งสึ่งไปนนานๆก็ อ, ออกมารู้โรคข้างนอนี่ตาลืขึ้นมาเห็นตัวนี้มาเปลี่ยนที่หน้ามันไม่สึ่งะเหตุเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบไม่สึ่งะให้จิตมันเคลื่อนไหวให้มันทํางานอย่าให้มันแช่นิ่ง ไม่ใช um, ่เรืกหลับใ่ไหมไม่ใช่สิเพราะระเจ้าเจ้าไม่จะ้บอกเลยเลยการสิบัติยังไม่มีเวลมากนะถ้ายังมีเวลานี่ปฏิบัติเวลานี้หยุดพักก็จยากนะอย่างครบที่ตบเนี่ตอนนี้รู้สึกหมความรู้สึกตัวงเราชัดขึ้นชัดก่ามื่อก่อนเยอะเลยใครรู้สึกตัวไปได้เลย อันนี้เรามาเยอะนะพ่อจะเร่าให้กันก็เด็ดๆเท่านี้พูดถึงการปฏิบัติอันหนึ่งได้ฟังนะเป็นวิธีที่ง่ายๆถ้าฝังเข้าใจเนี่ยเราสามารถเอาเป็นปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราได้แล้วก็ถ้าปฏิบัติไปแล้วในชีวิตจะค่อยๆมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆความทุกข์ทางใจก็ค่อยๆหายไปต่อไปถึงเจะไนจีสามสาม่อเอาด้วยก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก เราจรูสึกว่าเราบุญที่เขาไม่ยอมให้เราจิะวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเลยให้เราไปตามรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกในใจของเราเนี่ยเราแต่ละคนจะมีความรู้สึกท้กวันจะเปี๋ยข้็ดุก็เจี๋ยวก็พุ้งจะเดี๋ยวก็ดีเปนเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รู้สึกโกรธเดี๋ยวรู้สึกโลภเดี๋ยวรู้สึกมีความเศรรู้สึกอย่างนู้นรู้สึกอย่างนี้แค่ความรู้สึกของเรา มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววิธีปฏิบัติให้ถึงตอนนี้ใจเรามีความรู้สึกยังไงก็รู้ไปคอยดูคอยรู้กันมันจะเห็นว่าใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนที่ไม่เคยปฏิบัติอะไรนี้จะทาง่ายพวกเคยปฏิบัติแล้วจะทำยากส่วนมากจะเป็ น, นั่งเก้งอยู่นั่งเจ้านั่งเก้งนั่งกำหนดจะทําให้เหนหื่เหนื่อยโดยใช่เหตุ ความรู้สึกของเรานี่เราไม่จ่ายูแล้วจากโกรธใส่แว่นไหมโกรธเก่งไหใจเกินไหมเออรธไวหมเออเนียเราะความโกรธมันเกิดนะเสียรารู้รู้ไนี่โกลธนะไม่ห้ามมันนะไม่เข้าใจร่าันรู้ลูกเดียวเน่ง่ายที่สุดเลยอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะรู้ลูกเดียวไม่ทาอะไรไม่แทกแซง จะตามดูไปเรื่อยๆก่อนจะดูก็อย่าไปตั้งค่าต้องทำเป็นสํารวมถึงๆแบบหนูนานี้ไม่เอานะ <c oughs> ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเด็กๆที่หนูนาเนี่ปฏิบัติามาหลายวัดเวลาคิดถึงการปฏิบัติเรื่องธรรมมันถึงๆก่นทําเรียบร้อยเรียบร้อยจิตใจผิดความจริงนะผิดธรรมชาติผิดธรรมดานะให้เราไปสังเกตความรู้สึกตรงรับ ทุกคนรู sa, media, ้ได้อย e ู right, mm ่แ hmm. ล้วว่าเรารู้สึกยังไงแต่เราชอบรู้ช้ายังโกรธเพื่อนไปแล้วหายโกรธไปนานแล้วเพิ่งเลื่นได้อย่างนี้เรียกรู้ช้ากันยังรู้ไม่ไหวๆตอนนี้เรารู้สึกยังไงแต่อย่านั่งจ้องนะดูไปสบายๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยโกรธใครก็รู้จักรักใครก็รู้จักจิตช้าใครก็รู้จักกลัวเป็นหกลัวก็รู้จักเไหมทุกคนรู้จักรื่ามรู้สึก ดนั้นบ้านที่เราผู้ปฏิบัตินี้ม็ดเดี่ยวความรู้สึกอะไรกาลังมีอยู่ในใจเราก็รู้มันไปแค่นี้เองแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแล้วก็ไม่มีอย่างเราดูจิตใจของเราเนีสบายๆเล่นดูเล่นดูรื่อยๆเดี๋ยเราก็เห็นว่มันไม่ค่อสบายหรืออย่างใจของเรา้ตอนนี้ใจของเราขนาดนี้ ไม่เหมือนเ่อกีรู้สึกไหมเมื่อกี้ใจมันเคลื่อนไหวตูกลิกุ้กลิ้งตอนนี้ใจของเรามีความสงบอีกความตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้สังเกตออกไหมจิตใจข น, นาดนี้กับตอนก่อนจะไปทานข้าไม่เหมือนกันจิตใจก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องนี้กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันดูออกไหมให้เราไปวัดใจตัวเองไปเรื่อยนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางใจงเกิดขึ้นทั้งวันหนึ่ง ในที่สุดเราจะพบว่าคนหลายใจคือใครแต่พบคนหลายใจไม่ไปน่าพบแต่เรารักนะคนนี้รับที่สุดนี่สิ่ Lena, งท <geek ing> ี่จะขัดขวางทำให้เรารู <doubled again> ้ความรู้สึกหรือรู้จิตรู้ใจเราไม่ได้มีสิ่งที่ขัดขวางอยู่สองตัวใหญ่ๆตัวที่เป็นใจลอยไปใจลอยก็คือลืมดูดหละลืมรู้สึกตัว รู words, ้จักใจ่อยเลยใครใครไม่เคยใจรอยมีไ่ยกมือเลยอย่างนี้นั่งตึเท่าใครเคยใจรอยยกมือเลยไคเกิดไม้ใจลอยตนนี้แต่กิดก็ไม่เหมืเนกันนะเมื่อกี้นิ่งๆอยู่ไหมตอนนี้เริ่มไม่นิ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยคอยวัความเสึของเราไปหลวงปู่ฟังกับหลวมาวัดเถอะ ใจของเรายังไม่เครนิ <refreshed purely> <ically> ่งเลยเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ใจที่ขําเมื่อกี้เริ่มนิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมแต่ยังนิ่งไม่เท่าเมื่อกี้นี้คอยหันวัดไปเรื่อยๆเราจะพบว่าไอ้คนไหนใจอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนีทั้งวันเลยแต่ถ้าเราใจลอยใจลอยที่แบบไปคิดเรื่องอื่นบ้างบางกีคิดอะไรก็ไม่รู้นะบานทีคิดเรารู้เรื่องที่คิดแต่ว่าลืมเรื่องใจลอยแต่รู้แต่เรื่องที่คิด เร่อย่างนี้นะเนี่ยถูเรื่องคิดกับเรืมตัวเองพเราลืมตัวเองบ้างบาปใจัเองไม่ออกหันใจเองไม่ออกควรจะสนใจสิ่งอื่นลืมสนใจตัวเองอุปสรรคหอีกตัวหนึ่งของการปฏิบัติก็คืองซึ่งกันก็ไปแทรกแซงส่วนใหญ่ก็ซึ่งกันไปนั่งเคร่งเคร่งมาถึงคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มจ้าเราเจ้าเราเราเป็นเราตายนะจิตใจมันจะเริ่มนิ่งๆ พิษธรรมชาติไม่ยอมเป็นตุกดิกดให้เราดูเงนินเวลาจะมีการทำจริงๆหน้อ ย, อยนะเห็นไหมนะไปเดินตามส่วนกันค้าก็ได้เดินไปตามโมเห็นสาวในใจชอบอย่างคนนี้ถูกสเปค ช, ชอบชอบรู้ว่าชอบนะไม่ใช่รู้แค่สาวแล้วรู้ที่ใจเราด้วยเดินเจอศัตรูตู่แข่งเห็นแล้วเปลี่ยนหน้าเหมือนกันเปลี่ยนรู้ว่าเปลียนเนีย่ยคอยรู้ความรู้สึกของเราไป ความรู้สึกของเราจะเกิดตามหลังการกระทบกระหนมตาเราไปมองเห็นยู่เราไปได้ยินใจเราไปคิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นแบบเช่นปฏิบัติตัวนี้ตอทําได้ไหมง่ายๆเการปฏิบัติทำจริงๆนง่ายๆง่ายแค่นี้แหละนอกนั้นคือสิ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาสังเกตออกไปใจเรายิ่งๆนะรู้สึก้ป คอยรู้สึกนะอ่านใจเองรู้สึกไปเรืงอแต่ถ้าไปต้องอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ดู๋ย่ไปต้องไปเลยไม่ใชเป็นเรื่องเอาเป็นเอาตายทุกอย่างมึหมุนผิดกวาจริงิืมตาขึ้นมาในสู่โลกดูคนข้างๆเราได้เอาวันนี้แต่งตัวสวยกว่าเราเล่นข้างเป็นครับทุกข้างหน้ารู้รู้ใจ เนี่ยถ้าเราตามมุ่ใจของเราได้ต่อไปเราจะพบความจริงอย่างหนึ่งก็ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยสิ่งย่ชั่วคราวอย่างเราเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขนะสักพักหนึ่งความสุขก็ค่อยๆลดลงเฉยๆอย่างจุ้ยนี่จุ้ยังไม่ได้แต่งงานพอได้แต่งงานมีความสุขพอแต่งมาแล้วนานๆเฉยๆ นานไม่ได้วนน้ีกอยู่แลเมื่อไหรจะเริ่มนะไหนได้เริ่ม้อีกถ้าเด้มีความงในใจเราเปลี่ยนยิดเดียถ้าเรา้วเราก็จะเห็นเลยความสุงเกิดขึ้นก็อยู่ช่วงตาวความคุ้ในใจเราเกิดขึ้นก็อยู่ช่วงตาวเดี๋ยวมันก็ไปคาถาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่แน่หรอกหลปู่ารเองส ได้ยินเพลงมันก็แน่ดอกนัยแต่ตนนี้อีกเเด็กเกนี้คงไม่เคยดีฉันบอกแม่นี่เพลงผมก็้รหันเรื่เนี่ยคืออะไรแล้วมันก็ไม่แน่เรามันไม่เที่ยงเราเห็นยวก็จบเรียนความสุขของเราเกิดขึ้นเราก็รู้เดี๋ยวก็ไปความสุกขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็รู้เดี๋ยวมันก็ไปเพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นก็จะไม่หมัวเมาความทุกข์เกิดขึ้นไม่ทุรนทุรายเดี๋ยวก็ไปถ้าสามารถ มองโลกอย่างนี้ได้ไหมมองความรู้สึกในใจเราจะเห็นสุขๆุกเนี่ยเปนของที่ผ่านมาผ่านไปความทุกข์จะน้อยลงไปเยอะเลพราะทุกวันนี้ที่เราสกายวิ่งร่นที้เราจะกายหาความสุขเราวิ่งร่จะกายสะเกียร์สกายหนีความทุกข์ทำอยู่เท่านี้เองจริงๆที่แทบเป็นท่านตายก็คิดว่าจะได้ความสุขหรือจะหนีความทุกขไป ยังเด็กๆอยู่ก็เรียนจบที่ไหนจบแล้วก็ยังมีความสุขจบแล้วก็มาแย่งทํางานถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขจะจิ้นจะหาความสุขนั้นเลยถ้าได้แต่งงานมีครอบครัวดีๆแล้วจะมีความสุขมีครอบครัวถ้ามีรูปดีๆจะมีความสุขมีเงินเยอะๆจะมีความสุขจริงๆแล้วต้องการความสุข แต่กระจายแต่ที่เล่เราไม่รู้หรอว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวใจเราจะสบายเบาเปิดบานหันมากินไปก็ไม่ได้ทำไปด้วยความคาดหวังอะไรทําไปอย่างมีความสุขในขณะนั้นเลยไม่ใช่ว่ารอว่าความสุขอยู่นั่นคนในโลกนี้มองแต่ความสุขข้างหน้าเลยไม่แจกความสุขปัจจุบันไม่ได้ขมุนไปลอยอะไร แต่คิดรนะู้ว่าคิดหมือนคิดก็หลงคิดเราเติมคำว่าหลมันไปได้ในพฤติกรรมทั้งหมดเลยถ้ า, าถ้า ต, ววววาตาววัวที่มันมี่งอยูตัวหนล้เวที่มีไตนะเข้ามาแล้วมีตัวที่ไหวอะไรที่มีทตนะาะตัวนั้นมีอไทตนะมรดยานี่แหอืออย่าไปเรียกมนเลยมรดยานั้นเป็นธรรมาชาติรู้นะอย่เรียกชื่อเลยเดี๋ยวเกินไายตน์นิพาน คือพอจิตมันกระทบอามเนี่ยก็เกิดสีสยิขึ้นมเกิดความลุงแตงขึ้นมาเป็นสังขารไม่ใช่สีสียงเป็นสังขารที่ลูงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยตะเราโองเห็นเนียมันจะไหว้ในใจเราจะมีความหวั่นไหวขึ้นาแล้วถ้าไหวไดแรงนนั้นสักู่หรือสบแรงมได้เป็นสุขเป็นทุกขเป็นกุศลไม่ถึงกุศล งอออกไปจากที่ไหววัดชิถ้าเรารู้ทันร้ชขาดไปไอ้จู้สังเกตอะไรอย่างไรไอ้พวกเ็เสงไม่ต้องสนใจ่ตรงนี้ยากเวลาที่จูเห็นไหวๆเนี่ยจูรู้สึกเลยว่าจู้รูไปมองจู้กาลังมองเข้าข้างในแทนที่จู้จะไ่รู้ไหวๆเนี่ยจูรู้เสมอรู้ว่ากำลังส่งไนอยู่เพรว่าจิตส่งไหน ถ้ารู้ว่าจิ่ส่งไหนก็ข้างล่างนี่จขาดสะบันะนน้นส่วนจิตจะคลอนคลอนตัวเองขึ้นมาเลยเพราะการอฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่ส่งนอกไม่ใช่ส่งในใช่แต่ว่านน่งอฏิบัติทั้งหมดเนยจิตส่งในยนกเว้นพวกเพ่งกระสินนะั่ะส่งนอกส่งในรราทางตารอนั้นจะส่งเข้าข้างในเลยไม่มีใครรู้สึกตัวจริงเรื่องต้นต้องทำอย่างไรก่อนนะแต่ว่าตอนกะดเปัญญาล้าขึ้นมาจะรู้เลยวเี่ยลงก็ไม่ทางานทางใจ ทันที่รู้ว่าหลงไ้ทางเรื่องใจพฤติกรราทั้งหมดเลยที่กุตสาหกรรมหรือพฤติกรรมของจิตทั้งหลายจะขาดสะ้านจริตเพราะฉะนั้นพอเรารู้เท่าทันพฤติกรราจิตจิตจะหมดพฤติกรรมถอนคอตัวเองคือจิตจะไปยูอยู่กับความไม่มีอะไรไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในจะอยู่ความเป็นกลางที่หลงกุศแค่ทัวใจเมื่อจิตเราเจริญจิตถ้าจนกระต้องไปอยู่กัใจเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่ส่งไหนรู้ใจส่งไหนเข้ใจ การปฏิบัตทั้งหมดจะส่งในที่ทำอยู่เพราะงั้นศีลสมาธิปัญญาอะไรเป็นแค่เหยื่อตรงปลาอีกนั่นแหละเสร็แล้วจะเป็นพวกว่ า, ป า, านปลาโดนเลี้ยนไหลมาไปข้างพอรูทอ้ทางจะไม่ไหลฟอนสอู่ที่มาเป็นกลางเป็นใจเมื่อจิตเข้ามาสู่ความเป็นใจนจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาสมาธิแพ้ๆขึ้นมาจิตที่ตั้งนั่นอย่างแท้จริงขึ้นมาเป็นอุเบกขาสําโคชงขึ้นมา ม่งอยู่ตรงนี้ได้นานมันจะไหลเข้าข้างในอนะเช่นมันอยากจะดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง่นแะเวลาอมันเข้าหมอมันจะน้าเราปลอยอมแล้วคืออย่างไรมันจะอยากเข้าเราจะเห็นความอยากเข้าไแลวอีกแล้วทันทีที่ไหลเข้าไปตามกช่วยเหตนการปฎิจาริชนิดคือเห็นคูณถ้าเมื่อไรที่เราต่อต่อนข้นอกนี้เด็กจะมีัหาแ้ก็ไหลเปนี่เหุคูณก็เกิด เขาพุ่เมื่อไเจอันทีจิตมีปัญหาเข้าไปในไหนเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำงานดูรู้สึกไมใเข้าไทงานงานงนั่นแหละเรียกว่าคุ่ัญหาในผู้สร้างพุคือสร้างงานผมต้องเป็นธารมะให้คุ้มทางใจเขาํางานแล้วไม่ได้อย่างที่อยากคุ่หนักก็ปุ่ง้อนก็ปิดจะทางานเฉยๆยังได้ไม่ได้ก็ุ่มแล้วก็ทําแล้วไม่ได้ผลอย่างที่อยากคุ่หนักก็ปิด นี่พอเราจิดเคลื่อนเข้าข้านทำอย่างนี้มนเห็นทุกทําำไมแต่ก่อนเคลื่อนจิ่ตรงนี้ไม่เห็นทุกเพาไมันฉุดจิตทุกข์จิตสองคนในโลกนี้มนจะไหลเห็นทุกอยู่กับอารมแล้วทุกมก็ได้เกิดเพราะนั้นเหมือนคนเนทุกได้ได้เกิดไม่เคยรู้สึกอะไรออกวันเดดวันเห็นทุกโอ้กลับเข้าไปใหม่ทุกข์าเกิดพราฉะนั้นเมื่อไหรที่จิดตั้ง่นแล้วก็จิตเคลื่อนออกไป จะเห็นทุกข์ชัดเจนแต่เดินมเคลื่อนตลอดวันนลนดคืนไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิที่เองเป็นเห็กใกล้ที่เกิดสัญญาในเกณฑ์อริยสัจคือรู้รือว่าถ้ากิจญาของไรต่างๆเกิญญงงเกกดเพไ่้สร้างโมฆะไปทางานความทุกข์ก็เกิดึนเนี่อริยสัจนะยังมีข้ออื่นไว้สอนกันได้ น, นาลายข่าวนะ ตรงนี้น่าดว่าตอนนี้ที่ดีสุดทีดองเหีดย่ราะาเราวานะฮะเราเพ่งที่ความปวดขาเขาปยนับเนี่ยทีน่เคยเคยเป็น่ว่าพอพอพอถช่วกกันักเรู้สึกว่าอเราเพ่การกิดขาพอกำลเพ่งการปวดขเนคืออะไรทุกเนา กระจารอย่างอ่นะการกจยอย่งไม่เป็นไรแล้วแล้วเามาจออยนิ่งๆอยู่ตนั้นแล้วแล้วคราวนี้มันขึแต่ไม่ไ ja, ด้หรวาเอ็มเกิดอะไรขึ้นเชคราวนี้พอเขาเคลื่อนพั๊กเนี่ยมันมีนึกาว่าวันมันมคุมไม่ติดแล้วนะแล้วพอคอาลิฟท์ครั้งหน่ก็เกิดแบบนี้คือคือถ้านั้นตอนที่แบบสมมติเราบอก้เพราะว่าจิตเราส่งไปที่เท้าเป็นเลยการเจ็บแล้วหยุดมันหยุดนะฮะแล้วกมันมันหยุดแัวน้องวให้มันหยุดเอเองแล้วแล้วาะทำยักไงต่อ ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆต่อมาจะรู้เลยว่าถ้าจิตเคลื่อนก็ไป่ยึดเมื่อไหร่ความทุกข์ทางใจจะเกิดถ้าจิตไปเคลื่อนไปนี่นั่นเลในทุกทางกายใจไม่จะสัมผัสได้นี่เราจะรู้รู้ตัวทิวรู้ว่าความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้ตรงที่จิตหลงก็ไปยึดอารมณ์นั้นแหละไหลก็ไปในอารมณ์ แต่ราะฉะนั้นอย่างเวลาเราไม่สบายทางกายีแล้วรารู้ทนันขึ้เหมือนจิตจะตอบความวยเองขึ้นเเหมือนเราดูจัด ก, การส่งในเร า, าส่งเข้าแบ้า์ให่เข้าไปดูเวชนาเดี๋ยวพอมันล ม, มาอุ้ทางทีรือ แ, แต่เบชนะทางกายนะเรือแต่พุ้ทางกายแต่ไม่มีความทรมานทาี่<ว> <c oughs> ใหญ่นีก็อยู่นิ่งๆแล้วนใจใจมันทนทุกข์แต่วันเียวไหดีทําไมใจยังไหลิบเนี่ยเพราะว่าิชายู่ คืออวิชชานี่ก็คือการที่ยังมองไม่ออกว่ากายกัใจเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายกับใจนัานตัวทุกตัวสร้างภาระลองที่อยู่ในชีวิของเราทุกวัเนี้ภาระของเรามีในภาระทางกายกับใจเช่เสริมกายเสริมใจทํางานทั้งกายสองตัวนี้คือตัวภาระตัวทุกนี่พอเราพักกายพัใจเมื่อเรามีกายเราทุกทั้งกายเรามีใจเราชิดทั้งใจ มีกายเราจะยากหาสิ่งดีดีมาให้กายหาแล้แย่งอะไบ้างอะไรบ้างทํากิจสิ่งิจทำระบากยากเด็นหาในไรบางคนมีบาดใจอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยหาบางคนมีบัาดใจอยากใ really <talk ing sau> ห้ใจมีความสุขอย่างร่างกายต้องการแค่อาหาใจต้องการอาหารตลอดงั้นได้กินของอร่อยแล้วมีความสุขได้กินของแพงๆแล้วมีความสุขกู้ยิน อย่างนี mình Gotta, mình Gotta ่เรามาบริจาคใจเพราะเราระกใจที่เป็ใจติดตัวเราไม่รู้ว่าตัวแสกถ้าเห็นมันตายกันใจติดตัวแสวนั่นจบเลยจะปล่อยทิ้งเลยเหมือนเรามีรูปมันหนึ่งแล้วมันวนดื่อที่สุดเลยเป็นฐานรากมากในการเลี้ยงรูปการที่เป็นฐานรากมากนั้ใจเราต้องเข้าไปทางานเทียบกันนะเทียบรูปก็คือจิตของเรา เราอยากให้ลูกิงความสุขก็ยิ่งรดน้ำทงานแทบตายทางานก็เหนื่อยเลยเอาไปให้ลูกลูกพอใจมากลูกพอใจมากเดี๋ยวก็ยังว่นเหี้ยเขายังนี้ได้ยังนี้ใ้เอาอะไรลูกนีาตักเยี่ยงเยี่มีแต่ทุกข่พอเราเห็นลูกยังแย่งใจจ่อยวันมีลูกประทุกระลูกแต่คนต่างมีกรรมของตนแล้วจ่อยิ้มตอนนี้ไม่ทุกข์เล้วความทุกข์ยังต่ง่อยได้ ถ้าใคส่งที่เห็นปุ๊บเนี่ยพอเขาไปูในกรปุ๊บเนี่ยมันก็ข้าวปข้าวแบบี้แร่องนี้่นเพราะว่าร kind of ู้สั่ยังอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันทลไม่ได้มันอยากเข้าไปดูเพื่อจะได้รู้แจ้งอยางปฏิบัติรู้สึกไหมมันอยากปฏิบัติความมันอยากปฏิบัตินี่มันจะแฉกชเมืองเข้าข้างในอยู่เลยความชเมืองเข้าไปจิตก็จะไหลส่งในเข้าไปแล้วไปทางานเช่นทำธรรมฐานทั้งหลายเย พอไปทางานเรความทุกข์เกิดขึ and, like, ้นในขณะนั้นถ้าถอยออกมาได้ล <s chat> okay. so, ้วจะรู้หนงเเข้าไปนี้เป uh, ็นกเครียดขึ <c oughs> ้นน so, ิดหนึ่งเรู้ไเอจทจิตมันแจ้งขึ้นมาว่าโอความทุกข์เกิดจ่จิตนีมีปัญหาปหาทางใจหรืมทางกายอย่างาทางใจเข้าไปทาอะไรไปก่อภพหรือไปทางานไปทํางานนี้เปกเครียขึ้นห่ความทุกข์งใจรู้เกนี้หน พอเห็นแจ้อมีนสัตว์จะรู้ว่าเข้าช่องนี้เข้าทุกแต่ไปเชิญให้เข้าอย่าใหเข้าเลยเพรเรื่องอะไรอย่าเข้าอป่าทุกนิดว่าตัญญาเขียนแก้งเพราะงั้นเมื่อไหร่เห็นทุกอย่างแจ้งตั้หาสกุลตัวสมุทรไทยจะถูกล้างเนยอนมัติพอที่ผมที่ได้ทำไปบ่อยเพราะว่าพอก็ถึงจุดที่มันว่ามันมีเหตุผลที่มันวิ่ง แล้วเร็จแล้นจะโปรเจคแตกหาเรื่องเออมันแต่หางเรื่องแลเรแล้วให้รู้ว่ามันจะพอไม่ให้รู้ว่ามันจะลกนี่ะกัแล้วดูด้ยังไม่เห็นเองนะอย่าไปตั้งต้ารอดูว่าเมอไหรุกนะห้าเก่งลุกนอย่าไปคัดการ์พอไหลเข้าเ่อไหร่ไหลเข้าเห่อไหร่็ต้ทุกวเนั้นถ้าไหต่างตาไม่ทุกขนั้นไหลทางตาไม่มีกุศลและกุศลไหลทางหูไม่มีกุศลแกุศลจะไหททางใจ เพราะด็กเาะฉนั้นส่งในนี้ร้ายจะส่งน้อยนักปฏิัตินี่หลนักบวชส่งหนแต่ว่าส่งไปก่อนส่งไปจนรู้ทันว่จิตส่งเข้า้าไหนแล้วุูหลังไหนก็ไม่เข้าพอมันไม่เข้าตบงนี้เลยจิตสบายประคับประคองาดรูปเราไว้ถั่วแหงอะไรมาใกล้ๆปัด ไฟเป็นหนองตัวรั่วไว้ันหยุดเป็นของวารอไอ้นี่ตัวแสงไม่ใช่ตัวดีเป็ตัวสร้างความรำคาญประโยชน์ตัวชิไปเพอย่างนี้คือกังวลเราก็รู้กังวลแต่ว่าเพราะมันไม่หายเพราะเราปล่อยใช่เพรยังตรงในทราบไปมว่ากาลังจงใจดูข้างในรู้ทันต้นทางแ้วแต่ทันว่าจงใจเข้าข้างใน การส่งในขาดลูกตู้ใดๆหมดเลยทำไมเรื่องว่าส่งเนอาส่งในนีจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยส่งในแค่ตลอดเวลาจิตเราส่งออกอีกตลอดเวลาเลยถ้าเช่นเราขีนอยู่กับกองทุกข์คล้ายๆเราเกิดอยู่ข้างกองพยะธิสมมติไม่หมินนะหรือเกิดอยู่ข้างกองน้ำเน่าไม่หมินหรอกแต่ตั้งแต่เด็กๆก็ได้ขีนเลย วั น, นดูต่อไปไปที่อื่นก็กลับมาเนี่ยถึงจะเหม่เพราะฉะนั้นาการปฏิบัติความเมตตากรที่จะม า, จาเจริญปัญญาจนเห็นทุกข์ได้จิตต้องตั้งมันะะ่นก่อนคือจิตต้องหนุออกมาจากสิ่งแรกเราที่เคยชินก่อนจิตของเราทูกอย่างอารมณ์เน่าๆโดยไม่เห็นทุก์วิธีทําให้จิตถอดถอนตัวเองออกมาช่วคราวมีสองวิธีวิธีที่หนึ่นงเราน้อย่ารขับยังงี้ที่ทำสำคัญ จิตตั้งมั่นสงบใช่ทิ้งอารมณ์เดิมมาอยู่กับความสงบความวิเวกแล้วพอจิตเคลื่อนลงอีกคราวนี้จะเห็นทุกชั้นที่ครูบาอาจารย์อาจารย์ชสอนทาสมาธิก่อนเพื่อให้เป็นความอ่อรองของทุกชั่วข่าวแต่พอรู้จัาจะลองทุกชั่วขายเอามาพจิตทรงเข้าไปทางานจะเห็นทุกชั้นนี่พอเห็นทุกชั้นคืออกถึงใจในกจะตาดได้ลาพังพวกเราชุบอยู่มนทุกเนี่ยมันสุกๆติดจิตนะ กมันคุกมันมันไม่ตายออกเพรามันยังหวังว่ากรณีจะสวยแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าถ้าไห้ทำงานกรีจะคุ้มล้วนๆนอกจากคุกไม่มีอะไรเหนื่อขึ้นนอกจากคุไม่มีอะไรดาไปคูกเห็นอย่างนี้หนึ่งยัง่นได้นี่อีกวิธีหนึ่งถ้าเราทาชานไมได้วิธีที่อะไรทำทุกช่วคราวก็คือรู้สึกตัวเลยนขึ้นเก่งในตาที่รู้สึกตัวตื่นขนมาไม่คุก มันมีสององค์จีนนะเอาสติรู้ทันจีที่ส่งในรับเนี่ยมันจะตื่นความรู้สึกตัวมันจะตัดตอนมันตั้งนั่นรู้สึกตัวเกนั้นการาเดียวสำคนที่ทําฌานแล้วไปออกมาจากฌานและวเป็นสภาวะเดียวนี่ประจิสสมก็ไปใหม่แล้วจะเห็นทุกชัดเจนเป็นกับลอยว่างนะงั้นจะคิดเออก็เราอยู่ทุกวันนี้เราก็รู้สึกใช่ไหมส่งบ้างทุกบ้างใช่ไหมแล้วก็บอกอย่างเงี้ยเหมันก็ส่งบ้างทุกบ้าง แต่ถ้าเราวิ Arizona, ่งแคดีเราก็จะสุขเยอะทุกน้อยเลยคิดไปโน่นแต่ลรงจิตเราคามอิดลองมาดูสิแล้วไหลเข้าไปใหม่ใ้ที่ว่าสุขจะแสนจ็ทุกข์เลยแต่มันกินเล่าแบบทำกันาได้ขยันปฏิบัติพุกโธเลยไม่ได้ทำกันสาเสมอพุกโธห้วทุกข์เหมือนโลกจะแตกเจใจหลังห้องหนึ่งตอนนี้ความรู้ฐานเข้าทางไหนเป็นทุกข์ไม่เข้าแล้ว แกงกต่งจับช้อนหรอกั้อนหรอกทีเรื่องเาว่าพอจุ่ยาแลแล้วข้อมันก็จะิดแต๊งควมรู้สึกื่นก็ว่าแตงไม่เปรู้เสกเลยก็เออพอรู้แล้วก็ก็ข้อจุ่้มันก็เหมือนเปก้อนที่นี่เขาเ่อวิธีกรรมได้โดอบว่าให้เาะอนปสรรทแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดอะไรขึนที้ แล้วผมก็รู้ว่าถ้าถ้ามันรู้ก็ได้กับมันอยู่ในกจนแล้วก็เกอยู่แค่นนะครับนจะเกิดขึ้เองที่นี่ไม่ราบตัวนี้ทาได้ไหมที่จะเกาะกได้เดี๋ยวเราต้องทำต่อไปอีกนะเนี๋ยถึงยังมีสิ่งที่ต้องทาต่อไปอีกแต่ถ้าเมื่อไรเราฝืนเนี่ยเรารู้วมันเกิดอะไรขึ้นนั้นพี่ว่าสิแล้ว มันเมือ hmm. ก <ru> ับมไปสัแจงเออถ้ามันไปแั่แจนี่แทนที่เราจะไปรู้ว่ามันนแจงอะไรจะแกล้งไงรู้ว่ากาลังส่งเข้าไปทางานทางใจตรงนี้จะฐานสะบัดเลยแทนที่จะเป็นเอ๊ะมันหลงอยู่ตรงนี้เอามันไว้ทีนีดีกว่าเนเป็นกูบายแต่กูบัยหลังคนที่ยังมองไม่ออกตอนนี้เข้าไปทางใจถ้าเราเปลี่ยนเรดีเ๋ไม่ทางานมางตาเดี๋ยวทางานทางหูเดี๋ยวทางานทางใจให้ดูออกหม การปฏิบัติทั้งหมดแบเข้าไปทำเนืนทางใจตรงนี้ดูได้ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นทางใจเ น, นี่รู้ทันเว่ากําลังทำงานทางใจอย่างนะจะหลุดแบบถอนที่วงเลยพอถอนลงมาเนี่ยจะเกิดความรู้สึกตัวจริงๆขึ้นมแต่ถ้าเราปิดเกาะลงเนี่ยจะปิดเริ่มๆแต่ลงต่อเรียนใจมันก็จะไปรร <S <S 1> <S 1> นะไปเกาะเต้าๆอยู่นิดๆนะไม่หลุดหมดแต่ว่า ก็ดีกว่าไปหลงวิ่าอ่ข้ในเพราะหลงอยู่อย่างนั้นก็ทุกข์เยอะก็ส่งไปเกาบลงนี่ก็ส่งออกเลยส่งไปเกาบลงก็ทุกข์น้อยหน่อยาส่งเข้าไยังไงมันเข้าไปดุลอะไรมากมาก่ามันเกอรใช่แน่นอนทุกต้องเกิดนะแค่เข้านี้เดียวก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเข้าไปเราวุ่นวายยิ่งทุกข์เยอะยิ่งอยากจะลงหองวายิ่งกงหนังก็ยิี เพราะฉะนั้นง่ายเดียวเล็กๆรู้ว่าเราส่งไงมีคนถามมันคุยดูบอกว่ามีวิธีปฏิบัติอะไรที่รัดสั้นที่สุดบ้างสารนี้เป็นยาสมดีอองนอกหมายถึงไม่ส่งนอกไม่ส่งในแล้วแหละถ้ามันส่งนอกมัรู้มันส่งไในก็รู้ทันทีที่รู้จะถอดถอนออกเลยเนือรัดสั้นที่สุดปรฒนาตาอมาแล้ว เราจะรู้ว่าความทุกทางใจเกิดเพราะว่าจิตเราเนีจยส่งออกไปเยอนแยะส่งเข้าไปทํางานคําว่าทํางานนั่นแหะคือคำว่าโฟกสร้างโฟกสร้างชาติความทุกข์ก็เกิดถ้าคุณผู้หญิงนั้นแหละเกิดออกมาเราเข้าไปทำใจเนี่ยเรารู้ว่าเข้าไปทำใจรู้สึกไม่สมชื่อตอื่นทันทีแค่นี้เองความทุกข์ไม่มีแล้วกิเก็ ไ, ไม่มีเลไม่ต้องไปพูดเรื่องร้ายกิเลสเลยไม่มี กิเลสไม่เกิดตอนที่มันไหลเข้าข้าหในแล้วนความทุ้ทางใจก็เกิดตอนไหลเข้าข้างในแล้วนะถ่ารู้ทันแล้วไหลไปข้งไนนะหลุดออกมาแล้วเขไม่มีนะไม่ต้องรากเลยเดี๋ยวรอให้มันไหลใหม่แล้วก็ทุ้ใหม่นะไหลใหม่ฟุ้ใหม่ไหลใหม่ฟ้งใหม่โอ้หไหลเมื่อไรฟุ้งเมื่อนั้นความเกินจุ้ทุกทีเจะพ่เล็กพใหญ่ทางานมากทางานน้อยก็เป็นทุ้ทั้งหมดเลย หกนมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ังคเห็นแต่ว่าเราเห็นแต่ว่าประมหลัง้เรารแล้วับมนแค่ไม่ดับเลยแล้นดับไมงด้แต่มันดับไม่ไแล้วเราเห็นซ้ำซ้ำซ้ำอไรใจเรยือละใจเรายังไม่ยอมเพราะว่าเราเคยชินที่จะทุบเ้าอีกแล้วุเรารู้สึกเพื่องกระทุกเพื่อนกระทุเพื่อนทุกต่อไปฉลาดไมือนค้เด็กเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งไม่เคยเห็นผ่านไฟแดงๆแตเด็กยุนนี้เห็น ไม่เปนผ่านไปอาจจะรู้สึกสวยน่าจับผู้ใหญ่บอกอย่าจับนะเขาเผลอไปก็จับเพราะมันอยากจับจับแล้วเอาไปมันไม่จับอีกนี่จิตเหมือนกันนะถ้ามันไหลไ็จจับอารมแล้วมันเห็นมันทุกที่หลังมันไม่ไหลก็ไปจับมันต้องเห็นของมันเองนะเห็นแทนมันไม่ได้เห็นึกๆึเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกตัวนึงๆจิตส่งนอกก็รู้จิตส่งในก็รู้รู้รูปเดียว ไปเด็ดกิงพุ่ยไว่อะไรจะขาดพิทยายุทธ์ไา้แข็งแล้วตัดโผนชับเดียวขาดเลยโคน่ลงมันจะต้องกลอบมันจะ้การที่จิตส่งในเนละยงง ห, นหนึ่งเงี้ยส่งในสามเมเห็นไหมว่มาเหมือนหมดวะความปรุงแต่งพิษเกี้ยหมดเกลนะ้งงละตรงที่รู้สึกขึ้นมาหนะรู้ทางการส่งใ น, นนะึกหยงละอ้วมึงห้รอย่า ง, งี้ยเวลาเรา คแล้วลิตกกัาผเนี่ยไม่ใช่รู้ว่ากนนะคือการเป็นต่า ง, งมัีสองสเตจสเตจที่หนึงน่งเนี่ยเราไม่สามารถรู้เทาขึ้นของจิตหรือตัวจิตได้ <c ười> เรารู้ได้แค่อารมณ์อย่างความกังวลเกิดขึ้นเราเก็นั่ดูความกังวลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันความรู้ัไม่สมัยสัยนนแหลสัยแต่ต่อมาพอสติปัญญาขึ้นมาจะจิตฟัถอนไปหมด แล้วการจะไปดูความวุนวายจิตจะเข้าข้างไหนจะเห็นเลยอว่าเข้าข้างไหนส่งในเพรเุตรงนี้ไม่ส่งในาะวนเวียนอยู่หรอกดงนั้นสุขทุกปีช่วเป็ภาพดงตาทิตเรไปสร้างขึ้นมาเองคือมันส่งในแล้วมันกลัวแต่ว่าเรื่องต้นก็ส่งในเลยก่อนขอส่งให้้ภาพอรมณก่อนเอารมก่อนนะถ้ายังรู้จิตไม่ได้การอธิบายมีหายสเต็เลย ถ้าปัญญากว้าง น, นี่นะรู้ว่าส่งแป ต, ต้องแล้วทุกเลยถ้าปัญญาตรงนี้ยังไม่พอดูไม่ทันก็ไปดูตอนนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทางก่สุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศลกังวลตัวอะไรก็ดูไปเห็นว่ามันไม่ใช่จิตเราจิตเป็นคนดูเริ่มฝอยหนังออกมาเลยมันไม่ใช่จิตเราลอยที่กังวลนอ่ะกิจกรรมวุ่นยันถูกดูเริ่มหัน แ, แยกแยกๆออกมาเริ่หลุดออกมา จะเห็นเลยว่าถ้าจิตไม่ส่งเข้าไปข้างในก็ไม่กังวลหรอกเพราะงั้นอย่างการดูจิตเลยมีสองสงเกถ้ากําลังเรายังไม่พอเราก็รู้ความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกอะไรเดินขึ้นก็รู้ไปเห็นทั้านไปทานมานี่สิ่ก็พบว่าตัวจิตเป็นคนดูเฉยๆไม่เกี่ยวกันจิตต้องค่อย่อยหมมายืนอยู่ข้างเวจีต่อไปยืนข้างเวจีนานๆเนี่ยบาง่ีฉันโง่ลงเยสลับโลกี บันทีกถไฟเคลื่นมาีสล่มลงทีตรงนี้ตัวเราเองบทีก็วิ่งเข้าไปบางทีรถไฟบางทีก็วิ่งรถไฟนี้ถ้าปัญญาเรายังไม่กล้าไมเข้มแข็งก็ไปดูความเกิดดับเห็นไตลลุกไตรล่าษณ์อะไรแบบนั้นเริ่ต้นตัวเอเยพปัญญาเราลกล้าเรารู้จิที่ส่งนอกตรงไหนเห็นการส่งขอขกาไปกบขาดตบันอย่างแี้ยรารู้สึกตัวเองไห รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วท่เห็นนั้นห้ามไม่ได้หีิจิตจะต้องแสวงหาอีกจิดเนี่ยไหลเข้าไปอีกเห็นทุกข์อีกครันี้เห็นทุกข์จากๆเห็นทุก็์เต็มเลยแล้วในสุดจะเห็นอริยสัจไม่ใช่เห็นใจรักแล้วนะธรรี้ลัชนาเริ่มต้นเราไปเห็นใจรักเห็นเกิดดับใจที่นู้นเห็นเป็นใจรักพอเห็นแก้งมาเข้ามาเข้าไปเห็นอริยสัจก่อนที่มัตยญาจะเกิดกินเห็นอริยสัจ ะรียกตรงที่เห็นอริยสัจแจ้งว่าอนุโลมิกยามถัดไปล่าโกรธละุญญาณมัรคยานเกิดเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราตัดแต่ตัดแต่อยู่ไกลๆนะจะดูแต่อารมณ์เกิดดับเกินดับติ้นก็นเลไม่ออกนอกรูนอกทานแต่อยังห่างถ้าปัญญาเราล่าขึ้นล่าขึ้นจะไปเห็นอริยสัจจะรู้เลยว่าอย่างอารมณ์ยิ่งได้มาเกิดเกิดดับใช่ไหม ต่อมาเราก็ยังพบว่าบางทีจิตก็คลุกหลังอารมณ์บางทีจิตแยกหลังอารมณ์เริ่มเปลี่ยดูมั่งข้ามังข้าวต่อมาเลยเห็นเอแค่อารมณ์มาแล้วจิตก็ไม on. ่ทาอะไรไม่เป็นคุกหรอกถ้าจิตไหลหรอกะ็คุกดูไปเรื่อยๆยงพบกางาที่ยังเปเจ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังขลังเข้าข้านลังไปดูยังเป็นขลังไปดูความกังวลยังส่งใไปดูรู้ทันบจิตส่งเลยถอยออกไปถอยลงเอง ตอนนี้หนุ่มพอสอนว่าพอพอรู้ว่าเยนลงมันก็จะหายไปนี่นี่คือพอพทราบแอ้วจิตมันจะถ้าใครถอยขึ้นมาถอยแต่ถ้าเกิดทำไปออกแฉกข้าก็รู้ว่าแกก้าขึ้นมาจะรู้เลยจิตส่งออกไปได้รู้ทันที่ขาดอนกันนะการจิตหลังก็มีลายระดับคือถ้าเราจินตีเราแฉกล้ามากเรารู้ทันการส่งนอกส่งในหรือา ยินทรีเรายังไม่กล้าพอเรารู้ว่ามีความถึงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจสุกทุกขดีชั่วยังมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอินทรีย์อ่อมันหยิตดูความรู้สึกไม่ออกเขามารู้กายไว้รู้ร่างกายนั่เดินนั่งนอนไปเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามีความรู้สึกทางใจอะไรเกิดขึ้นอย่างนั่งนั่งนานๆเมื่อเมืเรารู้เดืใจความรู้สึกเมื่อเมื่อแล้วงุดยินมันเริ่มเปิดดูความรู้สึกออกแล ดูไปดูไปนั้นมุ่งมินกับเรื่ของปวามรู้สูกสูงไม้เกี่ยวกับจิตแก่กล้านี้ดูไปดูไปนั้ถ้าจิตนั้ใส่ใจกับมาิตลอนทิ้งมาจิก็ไม่ตุกอะไรกล้าเท่ี่ดูกายก็ยังดูไม่ไหวทำยังงทำสมถะนคพุทโธพุทโธไปดีิงแก้สร้างทาสมานก็ไม่ไหวหรือทำยังไงดีทำอะไรก็ไม่ได้นอย่างทาทานถือศีไปรอพระพิอร์มาสอนต่อ มีทางเรื่องที่เยอะเลยไหมหรือเบื่อนายไปแวะะบายก่อนองัตว์มาทําใหม่วัน <c oughs> นี้เรามีเสรีภาพจะเลือกทางไหนก็ได้คุณทุกคนเข้าใจไหมจิตมันส่งในจิต <c oughs> ส่งในทา ง, งานเยอะพราะว่าจิตจะตาจะตามใ เวลาที่เราชิดแวก็เราพอคอเริ่มตัวแล้วเราก็คุกคุกกระจายมันวก็พยายามดึออกมาเร่คเราดูอี่ความอยากึงนะถ้าดูอี่ความอยางึงความอยากลับไปคาอยางที่จะถึงออกมาดับไปจะหลออกมาเลยนะครับเวลาย่ดึงเหมือนถาเป็นกระแสมันมันไม่เหมือนกับ ือที่กลงไปมันเป็นยังไงผมน้คือหงปู่ตออีกขันรู้ว่าลังทงานทางใจแล้วพวกนั้นจะลุกลงไปหมดเลยไหนเจ้าพนกับลุงแงต่งในชั่วสาวแล้วลับมาเขาเขปลุงไม่ว่าเขาลุกได้ลุกน้อยแเจะเห็นทุกสั้นคือถ้าเรามาเรียนทําความเข้าใจและจิตสงงในเป็นยังไง จิตทรงในเนี่ยอันแรกสุดเลยคือเหลือเลยใจลอยไปเลยที่สองนั่งคิดคิดอะไรก็รู้หมดเลยรู้เรื่องที่คิดจิตหลงอยู่ในความคิดนี่ทรงในเหมือนกันออีกอีกพวกหนึ่งพวกตั้งท่าปฏิบัติเพอคิดถึงการปฏิบัติทำเป็นขลุ่มๆวางฟอมอยู่ข้าไหนนี่ก็สรงในเหมือนกันมันไม่สรงในมันไม่อมอะไรแบอยากอมไหม พาอยากอรู้ว่าอยากรเ้อื่นเลยถ้าอยากพอดก้อยากกินแต่ไม่รู้หรอกเพราะความอยากเป็นผู้สร้างโกหกความมีความอยากเกิดการทำงานแรงใจแลวรู้ออกมาไม่ได้อ้าเหลือสิบนาทีใครจะังนั้นวันนี้สอนต้านแต่ว่ามีเนื้อเนื้อทั้งนั้นเออประเภทเกาเหลานี่สินเกลียดใจเรานะยมีแวะไป ไปลอยนี่ก็ส่งในไปนั่งกินดูเรื่องนิยคิดก็หลงอยู่ในโลกของความคิดนี่ก็ส่งในไปตั้งค่าปฏิบัติทครึงๆก็เป็นสัมบูรณ์ขึ้นมก็ส่งในสัมรวมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตั้งค่าเรียบร้อยเริ่มหาตายอย่างสายอยู่ไหนว่าจะดูอะไรดีหาว่าจะดูอะไรดีนี่ก็หลงส่งในหาไปหามาไปจ้าเ็นก็ไม่จ้องใส่เลยเก้งใส่เลยนี่ก็ส่งใน บาคนไม่เพ่งแต่ใจมีกำรดเหมืนไม่เพ่งแต่กำรดกำรดยัส่งในกำรดยังคิดไปละหรือว่าเดีทเรียนว้อยากแก้จากแก้ก็หลงตรงในอยู่เท่านั้นในพฤติกรรมทั้งหลายคำว่ากรรทั้งหมดกพึติกรรมใ่จะทํามทั้งหมดเรีองนั่ของปัญหาทำให้เกิด โอยอยากของไก่ไหมเรื่อยังไม่รู้วิชีนอะไรไม่รู้ที่จริงตัวนี้นะมันก็คล้ายๆสิ่งที่เราเกลียดเป็นเกลียดมื่อว่าคนไหนที่เราเกลียดเราก็จะคิดถึงบ่อยนี่เราคมชอบมันช้ำเลืองอยู้เลยแล้วก็รุนไปด้วยคนไหนจะรุืคอไหนจะรุนเนี่ยจิตมีโทสะนี่มันแกล้งรู แลงอย่างที That benefits? That benefits ่สุดมันทำไปื่องความอยากชั้นฝันต้งนี้ทาไมไม่หลุดลงคุณวุ่นเคหัวเรียงจิหลุดเลยลเลยเปลี่ยนแต่แกล้นะหนพ่ออกว่าเรื่อเจ้ามีติดอยู่ขางใเหรอฉันน่าจะดูอก็หมายหมาที่เราละทำไมไม่หลุดไม่หลุดหรอกแรงท ไม่หลุดแกงไม่ได้เราจะเป็นหลอกจิตไม่ได้เราะเป็นหลอกอีเลนไม่ได้มันฉลาดกว่าเราไปวางแขนหลอกมันแลมันรู้ทานหลอกตอนคนใช่ไหมมันยากต้องเช้กลงกลเลมันตรงนี้เดี๋วเลองเพลโคตรต่อไว้จับต่ลอยง รู้ไหมใจลอยกี่งยรู้จักมือไหมมือเ่หตุผนี้อาจะไม่รู้จักคำว่าใจลอยรู้จักมือใ่หมมือนี่สัตตหมหนึ่งของชีวิตรูไหมเพราะเวลามือนี้นะเหมือนเราหายไปจากโรกนัะเราทิ้งสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทิ้งตัวเราเองไปจะอยู่กับอะไรก็รลอยๆเรื่อยๆนั ตัวอให้เม่อๆไปมื่อๆไปใจลอยไปแล้วแท้ๆเราตายไปแล้ันๆไปไได้อยู่กับชีวิตจริงทาอะไรทราบไหมตอนนี้ดูหอกไหมรู้สึกไหมมีการกระทาใจของลตอนนี้ไม่เหมือนใจตอนที่อยู่ข้างนอกเยรู้สึกไหมเออเนี่ยอย่าไปแก้งทำ เราเป็นงไงก็เป็นอย่างันไม่ต้องเป็นคนดีหรอกไม่ต้องเป็นคนที่จิตสงบนิ่งไม่ต้องแล้วมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลังของมิปั ส, สนาจริงๆง่ายๆมากเลยกายของเธออยู่ในะการอย่างไดรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นไม่ต้องแกล้งทำํำตายหนะ้ารู้ว่ามันสายขยับรู้ไป มันอยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นจิตอยู่ในการอย่างไรจิตมีความรู้สึกอย่างไรก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ต้องไปแกล้งทำ่วนมากมาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเริ่มทำลึงทำาค้คคนขึและดูดีโมโหครัง้งสุดท้ายเมื่อไหระอืมอเก่งเื่งแล้ดีใจครั้งสุดท้ายเม่ไหร่ ใช่เลรู้สึกไหมวันนี้เบาเบนะวันนี้เบาเๆมันเบาเบาใจเราไม่มีหาดขยับมาใส่ใจของเราเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติเบาเบามันเติมามันโปร่งใสแต่เราชอบไปหยิบพลยงมาใส่เคือการลงคิดจะลงคิดคิดไปคิดแล้วก็เอาเรื่องร้อๆร้อนมาใส่ ถ้าเราคอยรู้ท like ันหนีไปแล้วรู้ทันมันไปวิ่งไปหาไปยาดมันเข้าบ้านไปได้ใจก็เบาเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวไปแต่ห้ามทําใจเผลอๆนะต้องรู้สึกตัวห้ามเผลนทำไปไม่รู้ไม่ชี้อะไรนี้ไม่ดีต้องรู้สึกตัวไม่ใช่แกล้งทำเพื่อทั้งวันทั้งคืนอไม่ดีนี่ดูใจหรอครันี Terra, <S <s ่ดูเลยใจเบาเบาหรือว่าเบาๆบอะ แต่และ ว, วันไม่เหมือนกันรู้สึกไหมมาวันแรกมาัสับผนมากมาวันนี้เบาๆเบามากขึ้นถ้าไม่คิดก็ไม่งงเลยวันแรกม่นงงรูปเดียวเลยเขาคิดอุตรุกเลยใครรู้ความเปลี่ยนแปลงไป